ผก่อนท่านธรรมชาติผู้มีอายุพระสารชาติกล่าวต่อไปเรื่องของท่านสุมนณะนมามสูครองเห็นความสนใจของข้าพเจ้าสำหรับพระที่อยู่ประจำณอาวาสนั้นคงไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนักเพราะคุ้นเคยและรู้จักสุมนณะดีอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้าผู้เป็นอคันตุ ก, กะยังไม่เคยสนทนาวิสาสะกับท่านสุมนณะเลยข้าพเจ้ากระหายใคร่ได้เข้าใกล้ และสนทนากับพระภิกษุซึ่งพระสังฆเถระยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตควรที่เพื่อนโพรมจารีสหธรรมิกพึงเข้าใกล้คบหาสมาคมข้อนั้นพระธรรมชาติกล่าวเป็นวิสัยของสัพบุลิสชนคือคนดีเมื่อได้ทราบว่าใครเป็นคนดีเป็นปราชเป็นบัณฑิต ก็อยากเข้าใกล้ชอบใจในบัณฑิตแต่ตรงกันข้ามผลผ่านย่อมชอบใจคนที่เป็นอสัตบุรุษพอใจทำของอสัตบุรุษแมลงผู้และมแมลงพึ่งพอใจแต่กลิ่นหอมคลุกเคล้าอยู่แต่ในเกสรดอกไม้รู้ว่าเกสรแห่งบุพชาติอยู่ณที่ใดแม้ไกลก็พยายามบินไปเชยเกสร น, นั้นส่วนมแมลงวันสิ ชอบคลุกเคล้าหมักมมอยู่กับสิ่งสกปรกพอใจในสิ่งสกปรกคนทั้งหลายพิงรังเกียจสัตว์ที่ชอบสกปรกชนิดนี้ข้าแต่ท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐในหมู่มนุษย์นี้ก็ทำนองเดียวกันคนชั่วกับคนดีมีรูปร่างคล้ายกลึงกันสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างกันก็คือความนิยม ช, มชมชอบในความชั่วและความดีคนดีเป็นที่นิยมของคนดี คนชั่วเป็นที่ชอบใจของคนชั่วเหมือนของหอมเป็นที่มายินดีแห่งมแมลงพึ่งและของสกปรกเน่าเหม็นเป็นที่มายินดีแห่งมแมลงวันฉนั้นอุโสข้อความที่ท่านกล่าวนี้เป็นความจริงความนิยมเป็นเครื่องวัดระดับสติปัญญาและภูมิใจของคนผู้มีสติปัญญาสูงและภูมิจิตสูงย่อมมีความนิยมในกุศลธรรมอันสูง ผู้มีสติปัญญาต่ำและภูมิจิตต่ำก็นิยมต่ำๆลงมาตามลำดับหน้าที่ของเราก็คือช่วยพยุงคนต่ำให้สูงขึ้นเพื่อเขาจะได้เห็นสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นได้รู้ที่ยังไม่รู้เราไม่ควรดูหมินเหยียดยามหรือปล่อยปละละเลยให้เขาคลุกอยู่แต่ในภาวะต่ำๆสำหรับคนต่ำก็เช่นเดียวกันมีโอกาสอยู่เสมอที่จะทาตนให้สูงขึ้น จึงควรพยายามช่วยตัวเองด้วยเอาโส ในคืนนั้นหลังจากอาบน้ําชำระกายให้สะอาดแล้วข้าพเจ้าขอร้องให้ภิกษุผู้คุ้นเคยรูปหนึ่งพาข้าพเจ้าไปสู่สํานักของท่านสุมานณะที่อยู่ของท่านไม่มีเครื่องตกแต่งอะไรเลยสะอาดเรียบร้อยตามธรรมชาติมีน้ําใช้น้ําฉันบริบูรณ์ท่านสุมาณะเป็นพระภิกษุอยู่ในวัยมัชิมมาแล้วร่างกายแข็งแรงสง่าพูดจาเรียบ มีกิริยท่าทางเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวท่านได้ต้อนรับข้าพเจ้าด้วยอัธยาศัยมิตรีดียิ่งนักเมื่อสัมโมทนียกถาได้ผ่านไปแล้วท่านได้ถามอายุพรรษาของข้าพเจ้าเมื่อทราบว่าข้าพเจ้ามีพรรษามากกว่าท่านยิ่งมีอาการเคารพอ่อนน้อมมากขึ้นตอนหนึ่งท่านพูดว่าท่านพูดเจริญ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่ท่านอุตส่ามาสนทนากับข้าพเจ้าถึงที่พักเวลานี้ข้าพเจ้าไม่มีกิจอันที่จะต้องทําขอให้ท่านสนทนากับข้าพเจ้าได้ตามอัธยาศัยแม้ท่านและข้าพเจ้าจะรู้จักกันเป็นครั้งแรกแต่เราก็เป็นญาติกันในทางธรรมพราดาข้าพเจ้าสนใจในตัวท่านและเรื่องราวของท่าน ตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาบ้างจากที่ประชุมเมื่อเย็นวันนี้และตั้งใจว่าจะมาหาสนทนากับท่านผู้เป็นบัณฑิตข้าพเจ้าเห็นใจท่านเหลือกเกินที่ท่านถูกอุบาสกผู้นั้นด่าว่าเสียสีเพราะท่านไม่ได้รับนิมนต์เขาอาวุโสท่านรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อกระทบกับเหตุการณ์และคำว่าเสียสีอันนั้นพระสุมณะข้าพเจ้ารู้สึกเพียงว่า เป็นสิทธิของอุบาสกผู้นั้นที่จะด่าข้าพเจ้าได้เมื่อเขาไม่ชอบใจแต่ข้าพเจ้าไม่โกรธอุบาสกผู้นั้นทั้งนี้ข้าพเจ้ารู้ว่าความเข้าใจผิดย่อมมีได้เสมอโดยเฉพาะแก่บุคคลที่มีการศึกษาอบรมทางธรรมเพียงเล็กน้อยข้าพเจ้าท่านมิได้อธิบายให้เขาเข้าใจหรือว่าเพราะเหตุไร ท่านจึงไม่รับอาราธนาและไม่ไปในที่นั้นพระสมณนะเขาพเจ้าเห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรยืดยาวเพียงปฏิเสธอย่างสุภาพก็เป็นการเพียงพอแล้วสําหรับสมณะที่จะพูดกับพุทธศาสนิกขาพเจ้าสํานึกอยู่เสมอว่าเขาพเจ้าเป็นสมณนะเขาพเจ้าละอายใจที่จะโต้เถียงขัดแย้งกับคเรหัดซึ่งเป็นเสมือนผู้ใหญ่พอใจทะเลาะกับเด็ก อันหนึ่งขรหัดมีระเบียบวินัยน้อยสมณะมีระเบียบวินัยมากและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนถ้ายอมลดตัวลงมาทะเลาะกับคฤหัดก็เป็นการลดศักดิ์ศรีของตนเองลงมาให้เสมอกันกับเขาชนทั้งหลายก็จะพากันติเตียนว่าดูเถิดสมณะท่านยังละไม่ได้แม้เพียงการสงบปากสงบคํากับชาวบ้านท่านพูดเจริญ เขาไปเจ้าตร ะ, ะหนักดีว่าสมณะทะเลาะกับครืหัสนั้นมีแต่จะขาดทุนทางเดียวเราจะถูกหรือผิดคนทั้งหลายก็เกณฑ์ให้เราผิดอยู่นั่นเองเขาจะเห็นการกระทําของเราเป็นเรื่องน่าหัวเราะท่านผู้เจริญถ้าพระราชาองค์ใดองค์หนึ่งมายืนด่าโต้ตอบอยู่กับชาวนครที่หน้าพระลานหลวงหรือกลางถนนที่คนสัญจรไปมา ท่านผู้เจริญเห็นว่าการกระทําของพระราชาองค์นั้นสมควรอยู่หรือแน่นอนท่านผู้มีอายุกับเจ้าเห็นว่าการกระทําของพระราชาพระองค์นั้นไม่เป็นการสมควรเลยแม้ในการโต้เถียงนั้นพระราชาจะเป็นฝ่ายถูกและชาวนครผู้นั้นจะเป็นฝ่ายผิดก็ตาม พระสุมณะอีกอประมาณหนึ่งคุณสตรีผู้ได้รับการอบรมดีแล้วจากตรกูลเป็นที่ยกย่องของคนทั้งหลายถ้าทะเลาะวิวาทกับบรุษจนถึงกับต้องด่าว่ากันด้วยถ้อยคำห ย, ยาบค า, ายให้คนอื่นฟังสมมุติว่าท่านเองได้ยินเข้าค่าของสตรีผู้นั้นจะลดลงหรือไม่ข้าพเจ้าแน่นอน ค่าของคุณสตรีผู้นั้นจะต้องลดลงในทันทีพระสุมณะท่านผู้เจริญด้วยความคิดเปรียบดังกล่าวนี้แหลข้าพเจ้าจึงนิ่งเสียเมื่อถูกด่าว่าเสียสีจากอุบาสกข้าพเจ้าตั้งใจไว้ตั้งแต่วันอุปสมบทแล้วว่าข้าพเจ้าจะเป็นสมณะที่ดีอันหนึ่งผู้ดำรงตนเป็นสมณะมีหน้าที่จะต้องอดทนแม้ต่อสิ่งซึ่งมากกว่านี้ จะประสาอะไรเล่ากับคำด่าว่าเสสีเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าพระดาท่านช่างดำเนินตามปฏิปทาแห่งบัณฑิตได้ดีเหลือเกินมุนีทั้งหลายมักจะถูกคมเหงรังแกมาทุกสมัยแต่มุนีต้องตั้งใจอดทนอดทนต่อความลำบากที่เกิดจากทุกขเวทนามีการเจ็บป่วยเป็นต้น อดทนต่อความตรากตราเหนื่อยากต่างๆทั้งในการประกอบคุณงามความดีเพื่อตนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องและเพื่อสาธารณประโยชน์อดทนต่อความเจ็บใจเมื่อมีบุคคลบางคนมากล่าวจ่วงจา b ยาบช้าและต้องอดทนต่ออารมณ์ที่มาเย้ายวนให้ลุ่มหลงมัวเมาเป็นต้นทั้งนี้เพื่อประพฤติธรรมให้สมบูรณ ดูก่อนพระดาการประพฤติธรรมนั้นเป็นหน้าที่โดยชอบของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์การกินการนอนความกลัวภัยและการประกอบกรรมของขนคู่นั้นมีเสมอการระหว่างมนุษย์และสัตว์ธรรมะท้านั้นที่ทำให้มนุษย์แตกต่างพิเศษจากสัตว์คนที่ปราศจากธรรมะก็เสมอกันกับสัตว์ ธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตยังล้นเหลือแต่มีบุคคลเป็นส่วนน้อยที่จะรู้จักคุณค่าแห่งธรรมะทั้งนี้เพราะถูกฝ้าคืออวิชชาปิดบังไว้ถูกตัณหาความร่านใจมาฉาบถาให้มองเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีและประกอบกรรมชั่วเพราะเข้าใจผิดบ้างเพราะมีความอดทนไม่พอบ้าง คือบางครั้งบางเรื่องก็รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีแต่ทนต่ออารมณ์ที่มายั่วยวนไม่ไหวจึงต้องประกอบกรรมทําชั่วลงไป ท, งทั้งทั้งที่รู้เพราะการพุ่งขึ้นแห่งกิเลสมีความโลภและความหลงเป็นต้นพระสุมรนะพระดา ข้าพเจ้ายังจําได้ดีถึงเรื่องที่พระปุณะทูลตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อท่านจะไปอยู่อาศัยณหมู่บ้านสุนาปรันตะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าชาวบ้านสุนาปรันตะจะพึงด่าบริพาดข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะคิดว่าชาวบ้านสุนาปรันตะนี้ดีจริงหนอที่ไม่ทุบตีข้าพระองค์ด้วยมือถ้าเขาทุบตีด้วยมือละ่ะ พระศาสดาถามต่อยังดีพระเจ้าข้าที่เขาไม่ทุบตีด้วยก้อนหินและท่อนไม้ถ้าเขาทุบตีด้วยท่อนไม้ละ่ะยังดีที่เขาไม่ประหารด้วยศาสตราถ้าเขาประหารด้วยศาสตราละ่ะพระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ก็พึงคิดว่าดีจริงหนอชาวบ้านสุนาปรันตะที่ข่าเรา เพราะสาวกของพระผู้มีพระภาคบางท่านเบื่อหน่ายอึดอัดต่อร่างกายและชีวิตนี้อยู่จึงนำสัตรามาฆ่าตัวเองตายก็มีอยู่บ่อยๆแต่ข้าพระองค์ไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องสแสวงหาสัตรามีผู้นำมาและฆ่าโดยที่ข้าพระองค์ไม่ต้องใช้พระเจ้าค่าสาธุสาธุาธปุณณะเธอมีความข่มใจความอดทน และความสงบถึงขนาดนี้ก็พึงอยู่ในชนบทสุนาป ร, รานตะนั้นได้พระดาข้าพเจ้ายังจำได้ถึงเรื่องที่พระผู้มีพระภาคถูกชาวเมืองโกสัมพีชวนกันดา่าโดยการรับจ้างจากพระนางมาคันทยาไม่ใช่ถูกด่าเพียงคำสองคำหรือวันสองวันเท่านั้นแต่เขาพากันมาด่าวละมากๆและด่าอยู่ถึงเจ็ดวัน จนพระอานุ์จะทนไม่ไหวตั้งแต่วันแรกๆกราบทูลให้พระาศาสดาเสด็จไปอยู่เมืองอื่นเสียถ้าเขาด่าที่เมืองนั้นอีกละ่ะอานุนไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าข่าถ้าที่เมืองนั้นเขาด่าอีกละ่ะไปที่อื่นอีกพระเจ้าข่าอย่าเลยอานุนอยู่ที่นี่แหละจนกว่าเขาจะเลิกด่าแล้วค่อยไปในที่สุด พระพุทธองค์ได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งจับใจข้าพเจ้ายิ่งนักว่าเราจะอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างตัวประเสริฐก้าวลงสู่สงครามต้องทนต่อลูกสอนซึ่งพุ่งมาจากสีทิศเพราะคนในโลกนี้ส่วนมากเป็นคนทุศีลคนทั้งหลายย่อมนำสัตว์ตัวที่ฝึกดีแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมขึ้นสู่พาหณนะตัวที่ฝึกดีแล้ว ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนแล้วอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดม้าอสดรม้าอาชาไยและม้าสินทบรวมทั้งกุญชรผู้ประเสริฐที่ได้รับการฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์ที่เลิศได้แต่บุคคลผู้ฝึกตนแล้วยังเลิศประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นมาก ราดาเพราะเหตุนี้แหละความอดทนจึงเป็นเครื่องประดับของนักปราดของผู้บำเ พ, พ็ญพรดสมกับคำกล่าวที่ว่านกโกกีลามีเสียงเป็นสำคัญนารีมีรูปเป็นสำคัญบุรุษมีวิชาเป็นสำคัญผู้บำเพ็ญตบะหรือนักพลดมีความอดทนเป็นสาคัญพระดาการสัดโคลนเข้าหากัน การแก้แค้นด้วยการทำตอบการจองเวรต่อผู้มีเวรเป็นต้นนั้นเป็นวิธีแก้ปัญหาของคนโง่เพราะมันจะไม่สามารถระ ง, งับลงได้เลยมิแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่เราสามารถให้ระ ง, งับได้โดยวิธีตรงกันข้ามตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดี พึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะการพูดเลาะและสับปะพดด้วยการพูดจริงข้าพเจ้ามีความสำเนีจอ้างกล่าวมานี้แหลจึงไม่กล่าวต่อบอุบาสกผู้นั้นท่านผู้เจริญอีกประการหนึ่งเล่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่ทำยากแต่ทําลายได้เร็วที่ท่านเปรียบว่าการทําความดีเหมือนกลิ้งคกขึ้นภูเขานั้นถูกแล้ว เพียงแต่เราปล่อยมือไม่ผลักเท่านั้นครบ ก, ก็จะกลิ้งลงมาไม่ต้องกล่าวถึงว่าเราจะกลิ้งลงมาเลยบุคคลได้สั่งสมความดีมาเป็นเวลาหปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้างโดยการค่อยทําค่อยเก็บด้วยความเหนื่อยยากลําบากแต่ความดีที่สะสมมาเป็นเวลานานนั่นเองจะสลายลงเมื่อบุคคลนั้นไปทําความชั่วแรงๆเข้าสักครั้งหนึ่ง และไม่ต้องใช้เวลานานเลยเพียงระยะเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ให้ความยุติธรรมแก่ความดีเลยท่านผู้เจริญความดีนั้นเหมือนสีขาวบุคคลผู้มีความดีมากเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์เมื่อแปดเปื้อนด้วยสีเพียงเล็กน้อยย่อมมองเห็นได้ชัดและดูเหมือนจะทำให้เสียความงามของเนื้อผ้าไปมากคนทั้งหลาย จะพากันพูดว่าผ้าเปื้อนแม้จะยังมีส่วนที่ไม่ได้เปื้อนอยู่อีกมากเท่าไรก็ตามกฎข้อนี้แหละทำให้คนดีต้องระวังตัวอยู่เสมอพระดาเอย่ยอันความดีนั้นเป็นสิ่งที่ทำกันได้ทุกคนแต่การรักษาความดีไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดไปและหาทางให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นนี่สิเป็นเรื่องยากเหลือเกิน ท่านจะเห็นความข้อนี้ด้วยอุปมาเพียงง่ายๆคือบุคคลผู้ครองเรือนย่อมสแสวงหาทรัพย์ได้ด้วยกันทุกคนแต่การรักษาทรัพย์และเก็บทรัพย์ให้คงอยู่เท่าที่ควรต่างหากเล่าเป็นเรื่องยากลำบากของผู้ครองเรือนเพราะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายมากมีเรื่องจำเป็นมาก อีกประการหนึ่งอุปสรรคเป็นเครื่องทดลองความเข้มแข็งของคนชั้นใดอารมณ์ที่มายั่วให้โลภโกรธและหลงก็เป็นเครื่องทดลองผลแห่งการปฏิบัติธรรมของบุคคลทัานนั้นเหมือนกันบุคคลบางคนมีความอยากน้อยมีความปรารถนาน้อยตราบเท่าที่สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภยังไม่มากระทบ แต่เมื่ออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภมากระทบเข้าเขาก็จะทิ้งความมักน้อยสันโดษแล้วกระทํากรรมชั่วด้วยอํานาจแห่งความโลภนั้นมีการยักยอกช่อโกงทรัพสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนเป็นต้นบุคคลบางคนสงบสงเสงี่ยมมีอาการเหมือนโคที่มีเขาขาดเหมือนงูพิษที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วตราบเท่าที่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธยังไม่มากระทบ แต่เมื่ออารมณ์เช่นนั้นมากระทบเข้าเขาก็จะละทิ้งความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีความมุทะลุดุดันโหดร้ายทารุณแล้วทำกาชั่วด้วยอำนาจแห่งความโกรธนั้นมีการฆ่าการเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเป็นต้นบุคคลบางคนดำรงตนให้เป็นคนมีเหตุผลดำเนินชีวิตไปตามทำนองครองธรรมอยู่ได้ ตราบเท่าที่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงยังไม่มากระทบแต่เมื่ออารมณ์เช่นนั้นมากระทบเข้าขาย่อมแสดงอาการผิดปกติมีอาการต่างๆมีความเล้มเอียงขาดความยุติธรรมเพราะความรักบ้างเพราะความกลัวบ้างเพราะความหลงนั้นบ้างเป็นต้นท่านผู้เจริญเพราะเหตุนี้แหล เราทั้งหลายพึงตั้งใจสำเนียกตามพระพุทธโอวาทที่ว่าพึงระวังใจมิให้กำนัดขัดเคืองลุ่มหลงและมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดขัดเคืองลุ่มหลงและมัวเมานั้น